ทำดีย่อมเกิดผลดีทำไม่ดีย่อมเกิดผลไม่ดีอันกรรมหรือการกระทำนั้นแม้ได้กระทำลงไปแล้วไม่ว่าจะด้วยการพูดหรือการประกอบกระทำก็ตามจะแก้กลับคืนไม่ได้ทำแล้วก็เป็นอันทำแล้วผลย่อมเกิดตามมาอย่างแน่นอนทำดีย่อมเกิดผลดีทำไม่ดีย่อมเกิดผลไม่ดี ทำดีไม่ได้ดีเพราะมีกรรมเก่าที่ไม่ดีกําลังส่งผลที่ชอบกล่าวกันพร่าเพรื่อในยุคนี้สมัยนี้ว่าทำดีไม่ได้ดีทำไม่ดีกลับได้ดีนั้นถ้าจะให้ถูกต้องควรต้องขยายความให้ยาวออกไปด้วยเช่นว่าทำดีไม่ได้ดีเพราะมีกรรมเก่าที่ไม่ดีกาลังส่งผล ทำไม่ดีกลับได้ดีเพราะมีกรรมเก่าที่ดีกำลังส่งผลถ้ากล่าวขยายให้สมบูรณ์ดังนี้ก็จะได้ความเข้าใจในเรื่องผลของกรรมชัดเจนถูกต้องขึ้นคือกรรมนั้นแม้ทําแล้ววันหนึ่งต้องให้ผลจนสามารถทําให้กรรมปัจจุบันต้องส่งผลช้าไปได้คือกรรมดีในปัจจุบัน ไม่อาจส่งผลดีได้ทันทีเมื่อมีผลกรรมไม่ดีในอดีตแรงกว่าหรือกรรมไม่ดีในปัจจุบันไม่อาจส่งผลไม่ดีได้ทันทีเมื่อมีผลของกรรมดีในอนาคตแรงกว่าแม้เชื่อในเรื่องกรรมเพียงไรทิกิทิที่ไม่ชอบ ก็อาจพาให้ทำกรรมไม่ดีได้เมื่อเชื่อเรื่องกรรมและการให้ผลของกรรมแล้วก็ต้องเชื่อในเรื่องทิฏฐิคือความเห็นด้วยไม่เช่นนั้นแม้เชื่อในเรื่องกรรมเพียงไรทิฏฐิที่ไม่ชอบก็อาจพาให้ทำกรรมไม่ดีได้โดยมิจฉาทิฏฐินำให้เห็นกรรมดีเป็นกรรมไม่ดี กรรมไม่ดีเป็นกรรมดีแต่การจะรู้ว่าคนมีทิฏฐิอย่างไรสำมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิก็เป็นการยากต้องอาศัยปัญญาที่ประณีตในการพิจารณาต้องรอบคอประกอบด้วยเหตุผลไม่มีการหลงตัวลืมตัวแอบแฝงอยู่ในจิตใจไม่มีตัณหาอุปาทานรุนแรง แม้ว่ายังมีอยู่ตามวิสัยของผู้ยังไม่บรรลุมรรคผลนิพพานยังเป็นปุตุชนกรรมทั้งปวงของแต่ละคนย่อมเป็นไปตามอำนาจแห่งจิตใจอันการประกอบกระทำกรรมทั้งปวงของแต่ละคน ยอมเป็นไปตามอำนาจใจดังที่ท่านกล่าวใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานทุกสิ่งสำเร็จด้วยใจแต่ใจนั้นก็เป็นไปตามพลังสองพลังหนึ่งเป็นพลังของกิเลสโลภโกรธหลงอีกหลังหนึ่งเป็นพลังของเหตุผลพลังของกิเลสเป็นพลังที่ทำให้มืดมัวเป็นความโฉดเข่าเบาปัญญา พลังของเหตุผลเป็นพลังที่ทําให้แจ่มใสสว่างเป็นความมีปัญญาเฉลียวฉลาดปราดเปรื่องถ้าใจตกอยู่ใต้อํานาจของกิเลสมากก็มืดหมัวมากเบาปัญญามากถ้าใจมีพลังเหตุผลมากก็มีความสว่างแจ่มใสมากปัญญามาก สติที่เข้มแข็งตั้งมั่นสามารถชนะความคิดที่จะก่อกรรมไม่ดีได้อย่างไรก็ตามสติมีความสำคัญที่สุดสติมีหน้าที่ตัดสินว่าจะให้กิเลสชนะเหตุผลหรือจะให้เหตุผลชนะกิเลสถ้าสติอ่อนไม่ตั้งมั่นอยู่ก็จะยอมให้กิเลสชนะเหตุผล คือกิเลสจะครองใจยิ่งกว่าเหตุผลชื่อว่าเชื่อกิเลสยิ่งกว่าเชื่อเหตุผลถ้าสติเข้มแข็งตั้งมั่นอยู่ก็จะไม่ยอมให้กิเลสชนะเหตุผลคือเหตุผลจะครองใจยิ่งกว่ากิเลสชื่อว่าเชื่อเหตุผลยิ่งกว่ากิเลสเป็นผู้ใช้เหตุผลยิ่งกว่าเป็นผู้ให้กิเลสใช้ สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบปัญญาอันนำมาซึ่งความพ้นทุกข์สิ้นเชิงสำคัญที่สุดในมัชมีองค์8ดทางเห็นความพ้นทุกข์คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบอันเป็นปัญญายิ่งความเห็นชอบคือความเห็นตัวด้วยปัญญาว่าผลทั้งหลายเกิดแต่เหตุไม่ก่อเหตุไม่เกิดผล ดับเหตุได้ก็ดับผลได้ปรารถนาให้ผลดับแต่ไม่ดับเหตุย่อมไม่เป็นไปดังปรารถนาปรารถนาผลดีไม่ก่อเหตุดีย่อมไม่เป็นไปดังปรารถนาเมื่อมีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบดังนี้อย่างหนักแน่นย่อมมีความดาริชอบตามมาที่จะปฏิบัติเพื่อดับเหตุไม่ดีทั้งปวงเพื่อให้ผลไม่ดีทั้งปวงดับไปด้วย ความดำริชอบจะดำริให้มีวาจาชอบการงานชอบเลี้ยงชีพชอบเพียรชอบระลึกชอบตั้งจิตชอบการปฏิบัติชอบดังกล่าวทุกประการจากเป็นเหตุให้เป็นไปตามทางของความเห็นชอบดับเหตุไม่ดีทั้งปวงได้นั่นก็คือทำผลไม่ดีทั้งปวงให้ดับได้ที่สำคัญสุดยอดคือ ความสามารถดับเหตุแห่งความทุกข์ได้ทำให้ความทุกข์ทั้งปวงดับได้ได้ผลทุกอย่างสิ้นเชิงตามเสด็จพระพุทธองค์ไปได้